ันรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้นั่นคือทางดำเนินเพื่อความราบรื่นดีงามทั้งในความเป็นอยู่และอนาคตที่จะเป็นไปในการข้างหน้าจนกระทั่งถึง มีมุดดูดพ้นสิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงที่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่น้อยในบรรดาศาสนธรรมที่ประกาศสอนโลกไว้นี้เฉพาะผู้มีกฎเกณฑ์ผู้มีหลักภายใน จ, ใจิตใจ เกี่ยวกับทางด้านปฏิบัติยิตตะภาวนาด้วยความเข้มงวดกวดขันตัวเองผู้นี้คือผู้จะก้าวให้หลุดพ้นสิ่งที่เคยเป็นภัยต่อความเป็นมาของตนไปโดยลำดับจนพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิง ในบรรดาโอวาทที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราทั้งหลายก็เรียนแต่ความจำได้โดยไม่มีผู้พาดำเนินกับความมีครูมีอาจารย์ผู้พาดำเนินนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแปลกกันอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านจึงมีไว้ทั้งปริยัตคือการศึกษาเรียนวิธีการ ดำเนินและการดำเนินคือภาคปฏิบัติตามศาสนธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาผลก็แสดงออกเป็นปฏิเวทธรรมคือรู้ไปโดยลำดับลำดาจากภาคปฏิบัติของตนจนถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดนี่ท่านแสดงไว้โดยสมบูรณ แม้เช่นนั้นก็ยังต้องอาศัยผู้พาดำเนินเพราะเพียงจำได้วิธีการต่างๆที่ท่านประกาศสอนไว้หรือมีในคำพีไบร์ทตามหนังสือต่างๆถ้าไม่มีผู้พาดำเนินก็ไม่ทราบจะหยิบยกเอาอันใดมาก้าวมาเดินมาดำเนินมาปฏิบัติ <c oughs> นี่สิ่งที่ขัดข้องแก้ ผู้ดำเนินขัดข้องอย่างนี้เพราะหลักของธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าได้นำมาประกาศสอนโลกทั้งหลายนี้ไม่ว่าธรรมขั้นใดตั้งแต่ธรรมพื้นพื้นจนกระทั่งถึงคําธรรมอันจุดยอดเป็นธรรมที่เกิดจากภาพปฏิบัติของพระพุทธเจ้าล้วน ไม่ทรงไม่ได้ทรงศึกษาสำมเนียกจากผู้หนึ่งผู้ใดหรืออาจารย์ใดๆเลยเพราะฉะนั้นการที่ผู้ปฏิบัติตามที่จะให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของตนไถ่เ่านั้นจึงเป็นการลำบากเมื่อปราศจากครู อ, อาจารย์ผู้พาดาเนิน <c oughs> ในครั้งพุทธเจ้าก็คือพระองค์เองเป็นผู้ประกาศธรรมสอนสาวกตั้งแต่ปฐมสาวก มีเป็นจาว่าขีทั้งห้าเป็นต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถึงปัจฉิมสาวกมีสุภะะเป็นที่สุดในคืนพระองค์จะปริสิพาิได้บรรลุธรรมเป็นปัจฉิมสาวกอรหันขึ้นมา <c oughs> ล้วนแล้วแต่แสดงภาพปฏิบัติวิธีปฏิบัติและพาดำเนินด้วยพระองค์เองอีกด้วย อันดับต่อมาก็คือระสาวกที่ได้สะดับจากพระพุทธเจ้าและดำเนินตามพระองค์จนถึงได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคติตัวอย่างพาดำเนินทางการแสดงวิธีการทางการพาดำเนินเช่นพาเดินจงกรมผ่านั่งสมาธิภาวนาให้เห็นและแสดงทำวิธีการปฏิบัติ พิภารณาเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงทุดงสิบสามข้อนั่นเลื่อนแล้วแต่เป็นภาคปฏิบัติและมีผู้พาดำเนินมาด้วยแล้วทั้งนั้นเบื้องต้นกับพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินทัดมาก็คือพระสาวกทั้งหลาย <c oughs> ทุดงสิบสิบสามข้อคืออะไรนั่นแหละคือแนวทางที่จะกําจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นค่าศึก ต่อทำทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปโดยลําดับ ด, ด้วยการปฏิบัติต่อทำทั้งหลายเหล่านี้ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นทำทั้งหลายมีธุโดงขวัตเป็นต้นจึงเป็นธรรมจาเป็นสําหรับเราทั้งหลายที่จะพึงปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งที่เป็นไทยต่อจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับ ด, ด้วยธุโดงขวัตเหล่านี้และยังต้องมีผู้พาดําเนิน หเห็นเป็นคติตัวอย่างมาเป็นลำดับดังใดจนกระทั่งปัจจุบันนี้เห็นบินทบาทเป็นวัดเป็นกิจวัตรเป็นตามหน้าที่ของพระผู้ไม่ขี้เกียจีคร้านเสาะแสวงหามาด้วยกำลังปีแข้งของตนหาเลี้ยงอัตภาพเพื่อการประพฤติพรหมจรรย์กำจัดวิเยษอาชาวะทั้งหลายทานากิตใจของตน ไปโดยลำหนับลำดาการฉันก็ไม่ฉันพร่ำพรำเพื่อเพื่อไม่ได้เห็นแจกรสแจกชาตเห็นแจความอร็ดอร่อยฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่หนักในรสในชาติยิ่งกว่าการหนักในธรรมทางด้านปฏิบัตโดยทางจิตใจมีอะไรมาบริโภคครบฉันตามเกิดตามนีนอกจากนั้นยังต้องใช้ความนะมัดระวัง ว่าอาหารชนิดใดที่จะเป็นภัยต่อกิตกภรวนาของตนด้วยเพราะอาหารบางอย่างให้คุณทางธาตุขันแต่เป็นภัยทางด้านจิตใจเราก็ต้องระมัดระวังเช่นฉันลงไปแล้วธาตุขันมีกำลังบางชากแต่จิตใจอ่อนแอลงไปก้าวไม่ออกเพราะอำนาจของธาตุขันซึ่งเกี่ยวนกับกิเลสอั น, อนเป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วมันทับถมให้ก้าวได้โดยสัต ไม่สะดวกนั่นเราก็จําต้องได้ล้วคับหรือได้งดหรือได้ลดลงให้น้อยลงไปโดยลําดับแม้จะหิวจะอยากสักนัดไหนก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกลายเป็นเรื่องของตัณหาไปได้ <c oughs> เมื่อกิเลสมันแทรกอยู่ตรงไหนความอยากมแม้จะอยากในอาหารก็ตามกิเลสมักจะแทรกให้เป็นตัณหาไปได้เช่นเดียวกันเพราะการฉันนี่ฉันสองประเภทฉันด้วยอํานาจของตัณหาก็มี ฉันด้วยอำนาจแห่งความหิวของท่าของขันพอเยียวยาไปป ร, ประทังประทังตะวันหนึ่งวันหนึ่งดังที่ปฏิสังขาโยนิโสท่านแสดงไว้นั่นก็มี <c oughs> นี่ก็มีผู้พาฉันพาดำเนินไม่อย่างนั้นก็ไม่ทราบแล้วฉันในบาทฉันอย่างไรทำไมจึงต้องฉันในบาทโลกเขาฉันพาช น, นะเพื่อความสดสวยงดงาม ด้วยความรู้หลาด้วยความสงาาพพ่าผ่าเผยด้วยความมีเกียรติิยศชื่อเสียงเืใอการรับทานเช่นอาหารสําหรับหนึ่งหรือโต๊ะหนึ่งราคาเป็นพันพันหมื่นหมื่นเขารับทานกันนั่นเรื่องของโลกเป็นเช่นนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของธรรมจึงต้องแกจากโลกการชั้นในบาศเพื่อการก็คนตนเปะลบล้างสิ่งที่กิเลสมันเคยเสด็จสรรปัญนยอว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ออกเสียหมดรสชาติอันไหนก็ตามอันเป็นเรื่องของกิเลสนิยมปัดทิ้งให้หมดเหลือแต่รสชาติแห่งธรรมคือจะฉันไปเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปนิเท่านั้นไม่ได้สนใจกับเรื่องความ อ, าอร่อยอะไรไไการาฉันอาหารผสมกันนี้เพื่อตัดความนิยมนิยมของรสของชาติความ สำคัญว่ามีคุณค่ามีราคาในรถในชาติตั้งหลายออกเพื่อจะไม่ให้ธาตุขันมันพอกผูนอาหารการบริโภคมากไปที่เรียกว่าฉันเกินประมาณนี่ก็มีส่วนด้วยฉันด้วยความศัก์ว่าแต่ฉันพอยังชีวิตอสภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ ของการฉันในผู้ปฏิบัติทั้งหลายนะท่านจึงมีหลายประเภทบอกไว้ว่าฉันเยี่ยมก็คืออาหารไม่ว่าขาวว่าหวานและคนปนเปนเข้าเป็นอันเดียวกัน น, ะนั่นนี่เป็นอาหารประเภทที่หนึ่งของผู้ปฏิบัติประเภทที่สองก็วางไว้มีหวานมีขาวผปนคนน่าแหง ที่สามไปอาจจะมีอะไรกั้นไว้เช่นอาหารนั่ะกั้นอาหารไว้ก็ได้เช่นมีกล้วยหรือมีผักอะกั้นอะไรไว้อย่างนี้ก็มีเรื่องนี้ก็มีครูมีอาจารย์พาดําเนินผู้นาจึงเป็นของสําคัญมากทีเดียวทางภาคปฏิบัติยิ่งสําคัญฉันก็ชั้น้นเดียวไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวาย และฉันในบาตพุ่นได้ตั้งแต่เป็นสิ่งที่จะตัดอำนาจของความยินดีในอาหารการบริโภคเพื่อให้ใจได้เข้าสู่ธรรมหมุนเข้าสู่ธรรมเป็นสำคัญฉันหนึเดียวเท่านั้นไม่ยุ่งยากวุ่นวายนี่หลักใหญ่ในขัง้งพุทธการท่านฉันมือเดียวเท่านั้นที่อเนรโลมก็คือเช่นข้าวต้ม ท่านว่ายาขูอยากขูคือข้าตมดื่มน้ํำข้าต้มไม่ใช่เป็นข้าต้มทั้งเนื้อนั่นดื่มน้ำข้าต้มไม่ใช่กว่านะ ม, ามบิณฑบตัตมีได้ในกังนพุทการในตําลักตารามมีถ้ามีคนทําถวายแต่ส่วนมากสําหรับความรู้สึกของเราเองมีคิดว่าแปมบุ้ท่านปลดเปื้องภาระอะไรหมดสิ้นไปแล้วภายในจิตใจโดยประการทั้งปวง เพียงแต่ยายาธาตุขันนี้ให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อทําประโยชน์แก่โลกเท่านั้นจึงจะมาสนใจกับเรื่องข้าวต้มอะไรเหล่านี้ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วจะไม่สนใจเลยวุ่นวายเปล่าๆสำหรับความความรู้สึกของเราในเวลาปฏิบัติก็ดีในทุกวันนี้ก็ดีสิ่งที่จะมาทําก่อนเวล่มเวลาเช่นเอาข้าวต้มมาฉันเอานี่มาฉันก่อนเวลาหรือก่อนมิถุนานนี้เราไม่เล่นตั้งแต่ด้วยตั้งแต่การไหนไนมา เพราะถือว่าเป็นความลำคาญและขัดต่อการดำเนินของผู้ที่เพื่อความพ้นทุกโดยเด็ดขาดเท่านั้นประจําใจเมื่อความรู้สึกขนาดนี้ที่มีน้ําหนักมากปันน้อยใจเต็มหัวใจยอยู่แล้วเกินกว่าที่เราจะไปคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้มาเป็นเครื่องอยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านจิงไม่ยอมนี่ความรู้สึกของเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนั้น เพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก่อนยังเป็นไม่ยุ่งกับอะไรจนกระทั่งเป็นนิสัยติดมาถึงทุกวันนี้ <c oughs> นี่เรื่องทุดงแต่ล ะ, ละข้อละข้อที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญมากช่วยบังคับจิตใจความฟุง้งเฟอ้เหอหอือเขิมหรือความฟุง้งเฟอ้อหือขนองในปัจจัยทั้งหลายให้ลดน้อยถอยลงมาโดยเรับเพราะอำนาจแห่งทุดงขวัดฤทธิธรรมทุดง เป็นเครื่องกําจัด <c oughs> ผ้าถือผ้าบางสกุลของพ่อแมู่อาจารย์มั่นท่านถือตลอดชีวิตเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาใครจะถือได้อย่างขัน้นที่ดูทําไมท่านรักท่านสงวนเอาหนักหนา ท, ทั้งทั้ที่ท่านก็สิ้นกิเลสมาตั้งกับปีไหนไหนแล้วดังที่เขียนไว้แล้วในประว่าิของท่านท่านยิ่งรักท่านยิ่งสงวนเถิดทูลสมบัติที่ พระพุทธเจ้าประทานให้เป็นไหนไหนทีเดียวนะท่านไม่ใช่สงวนไว้เพื่อชาระกิเลส ข, ของท่านแต่ท่านสงวนไว้ด้วยความเทิดทูนด้วยความเห็นบุญเห็นคุณมหาคุณในพระวดัดหรือขนมประเพณีของพระพุทธเจ้าและอริยสงฆ์ทั้งหลายที่พาดําเนินมาท่านจึงเทิดทูนไว้ด้วยทุดงควัตเหล่านี้ไม่ลดละปล่อยวางเลย บางสกุลนี้มีตั้งแต่บางสกุลทั้งนั้นอันได้เห็นท่านใช้ผ้าที่มีผู้ถวายมีท่านเ จ, จน้าคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านมาแต่ก่อนไปถวายผ้าอังสะซึ่งเป็นผ้าป่านที่ท่านได้กรอเองไปถวายและกราบเรียนให้ท่านทราบด้วยว่าเป็น พิมพมของท่านกรอเองปั่นได้ปั่นอะไรป่านนั่นเองให้เขาทอให้ว่าอย่างนั้นท่านรับใช้ให้เห็นต่อหน้าต่อตามีเท่านั้นตั้งใจไปอยู่กับท่านมานี่ตอนที่แก่แล้วนะตอนั่นท่านก็ยังไม่ยอมนี่ฮิตดูเราเคยเห็นไหมครูบาอาจารย์องค์ไหน ที่ทำแบบฉบับโดยสมบูรณ์ดังหลวงปู่มั่นนลวพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่เทิดทูนท่านที่สุดหัวใจทีเดียวเพราะเห็นด้วยตาท่านรักทุดงกวัดเพราะเห็นคุณค่าจากทุดงท่านได้หลุดพ้นไปนี้จากทุดงเพราะวัดอยู่ในป่าท่านก็ได้รับความลำบากลำบนและฆ่าพิเดชให้ตายในป่าท่านก็เห็นคุณค่าของการอยู่ป่า หันจังหันไม่รู้กี่วันถึงจะได้มีกับบั้ท่านก็พอใจฉันฉันและตัวปิวเวลาเดินยังงงท่านวะเพราะไม่มีอาหารมีแต่ข้าวจะไปอิ่มยังไงอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยอาหารผสมกันนี่ต่างกันอยู่มากผมก็เคยอิ่มอิ่มข้าวเปล่ากับอิ่มด้วยมีกับผิดกันอยู่มากทีเดียว <c oughs> นี่เราก็ยอมรับท่าน เนี่ยทุกองขวัตรไปโดยลาดับลําดาจนกระทั่งถึงเนสัศชีทุกรงนั่นแล้วแต่เป็นเครื่องชําระกิเลสอันเป็นค่าสึกต่อธรรมทั้งนั้น <c oughs> นี่คือทางดําเนินของผู้ที่จะหลุดพ้นด้วยเจตนาหวังหลุดพ้นจริงๆและยึดทุกองขวัตเป็นชีวิตจิตใจเป็นทางดําเนินจริงๆยิงไม่ ถือธูปนั้นจึงไม่เห็นทุธดงนั้นว่าเป็นของคือเป็นของล่าสมัยดังสมัยที่กิเลสมันพ่อกหัวใจคนให้ดื่มตัวให้หัวใจพระให้ลืมตัวเท่านั้นจึงจะพูดอย่างนั้นออกมาได้และมีความรู้สึกอย่างนั้นได้ <c oughs> ถ้าเป็นคนเป็นพระที่ยังรู้จักดีจากชั่วรู้จักความเป็นพระของตนอยู่แล้วจะตําหนิทุปดงเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดท่านสอน ท่านสอนตัวแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่อผูกมัดจิตใจของสัตว์โลกด้วยกิเลสประเภทต่างๆโดยการสั่งสมเพราะโกะว่าตของท่านไม่มีเนื้ธุดงควัดนี้พระสาวกทั้งหลายก็เลยสําเร็จขึ้นมาจะเพราะธุดงนี้ทั้งนั้นมีองค์ใดที่ไปหาสําเร็จอยู่ในตลาดอย่างสมัยทุกวันนี้เขาว่าเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองมีที่ไหน ม, มีแต่สำเร็จอยู่ในป่าในเขานี่เป็นธุดงควัตหรือไม่ฟังดิท่านดําเนินตามธุดงหรือไม่ในป่านั้นเขาลุกนี้ถ้านั้นเนื้อมผานี้ด้วยการฉันคนเดียวหรืออดบ้างอิ่มบ้างเรานี้ล้วนแล้วแต่ทุดงเป็นเครื่องกํากับท่านทั้งนั้นนั่นเราดูดิแล้วการพิจารณาการภาวนาของผู้มีธุดงกํากับย่อมเป็นไปด้วยความรากรื้นดีงามจิตใจก็ไม่ฟุ้งเฟอเ้อเหื่อเหิม เป็นไปด้วยความสงบง่ายกว่าคนที่มีธุดงขวัตเพราะฉะนั้นธุดงขวัตยิงสมกับนามที่ท่านแปล ไ, ไ, ไว้ว่าเป็นเครื่องชาระกิเลสธุดงขวัตธุดงคภวัตเป็นเครื่องชําระกิเลสกิเลสที่เกี่ยวกับธุดงจะต้องชาระนี่มีอะไรบ้างมันเต็มหัวใจของเราด้วยกันทุกคนนั่นแหละเนี่ยธรรมธรรมะที่จะแก้ดึกทุจอานาจของธุดงขวัตตึงต้องมีด้วยกัน <c oughs> มีแบบแผนเหล่านี้ต้องมีครูมีอาจารย์พาดาเนินเช่นอยู่ลูกขมู ล, ลม่้มไม้อยู่ลูกขมูลล้มไม้กับอยู่ที่มุงบางที่มุงที่บางต่างกันนี่ก็เคยอยู่เพราะเป็นความเปลี่ยวเมื่อมันเปลี่ยวแล้วยอ่ยอมกิดย่อมกลัวเพราะเป็นภัยง่ายกว่าอยู่ในที่มุงที่บางถ้าพูดถึงความเป็นภยัย ใจต้องระ ม, มัดระวังใจมีความระแวงอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อยู่นุกขมูลคืออยู่โคนต้นไม้เท่านั้นทีนี้เมื่อใจมันมีความระเวียงระวังอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีสติสติย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ระเวียงระวังยึงยืนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามจนกระทั่งหลับจะไม่ปราศจากสติ เพราะกลัวเผอตัวแล้วเสียท่าหาเกิดอันตรายอย่างไรขึ้นมานี่ทุดงขวัตข้อ น, นี้มีความจำเป็นอย่างไรกับจิตใจของพวกเราตั้งหายฟังให้ดีนะไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีความตั้งเนื้อตั้งตัวช่วยตัวเองเข้าโดยลำดับไม่ได้นอนใจเหมือนอยู่กับเพื่อนกับฝูงครูบาอาจารย์เกื่อนกลนวุ่นวายเต็มไปด้วยสิ่ง ที่พ่อคุณกิเลสทั้งหลายดังที่เราทั้งหลายอยู่กันเวลานี้นี่อย่าเข้าใจว่าการอยู่เหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมดีแล้วดังที่โลกเขานิยมชมเชยว่าวัดาบางตานี้เป็นสำนักที่มีกฎมีเกณฑ์มีข้อปฏิบัติมีข้อวัดอันดีงามสงบสงบเง ย, ยี่ยมตัวมองดูพระเนตรองไ์ใก็สวยงามสวยงามพริงในสิ่งที่สวยงามแต่สิ่งที่ไม่สวยงามซึ่งตัวเราเองก็ยังมองไม่เห็นอย่าว่าแต่ก็ดูดมองมเห็นเลยนั้นยังมีอยู่แยะภายในหัวใจของเรา ที่ไม่ได้ยังไม่ได้ชําระด้วยทุดงดังกล่าวมาเหล่านี้มีอยู่มากมายในหัวใจนี้ให้ขอท่าท่านทั้งหลายได้สํานึกเอาไว้ในข้อนี้เท <c oughs> ่าในป่าในเขาลึกเข้าไปทลายน่ากลัวทลายทลายกิจของเรายิ่งเด่นยิ่งเด่นยิ่งเด่นเพราะความระมัดระวังตนมีมากสติก็มีมากเมื่อสติมีแล้วปัญญาทําไมจะไม่เกิดอขอให้มีสติเป็นพื้นฐานเถิดปัญญาจะเกิดขึ้นโดยลําดับธรรมดา น, นั่นแหละนี่ก็เป็นทุดงดนั่นแหละ เป็นเครื่องชำนะจิตใจของเราโดยลำดับธรรม่านสัชิคือไม่นอนก็เพื่ออะไรไม่นอนก็เพื่อจะทำความเพียร อ, ย, อยาบทสามยืนเดินนั่งภาวนาเวลาจำเป็นเขาจริงๆเพราะไม่ได้นอนมันก็ต้องค้นขวา้าด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่นี่จริงต้องว่ามีครูบาอาจารย์เป็นผู้คอยพาดำเนิน ไม่เช่นนั้นก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ค่อยร่วงลอยไปร่วงลอยไปสุดท้ายภาหลังมีตั้งแต่ลูกศิษย์ลูกหาเก้งเก้งกางก้างเลยลักษณะเป็นขายก่อนซื้อขายก่อนซื้อไปมากโดยลำดับลำดานี่จะทำความเสื่อมเสียแก่ตนและวงธุดงกรรมาฐานไปโดยลำดับลำดาให้พากันคิดไว้ในข้อเหล่านี้ ยังไงก็ตามในเวลาเช่นนี้ที่เราปฏิบัติอยู่นี้อย่าสนใจกับสิ่งใดผู้ใดมากกว่าการประกอบความพักเพียรเพื่อชำระกิเลสภายในจิตใจให้จิตใจของเราเด่นขึ้นด้วยสมาธิเด่นขึ้นด้วยปัญญาตามขั้นแห่งสมาธิและปัญญาขั้นนั้นๆแล้วจะได้เห็นคําที่ท่านสอนไว้อันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมาก สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่มีวันรู้วันเห็นเลยคืออะไรคือภาวนามายปัญญานี่เป็นหลักที่ลึกซึ้งมากละเอียดมากที่สุดเพียงเราจะมาคิดมาคาดเอาเฉยจะไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้เรื่องได้าส่วนสุตะมยปัญญาเล่าพอที่จะคาดท่เนีเอาได้คือได้เกิดสติปัญญาและลรู้สึกขึ้นมาในขณะที่ได้ยินได้ฟัง จะเป็นผู้ใดพูดหรือเสียงมาจากที่ไหนก็ตามเมื่อได้ยินได้ฟังขึ้นมาเกิดสติได้สติปัญญาขึ้นมานั่นท่านเรียกว่าภาวะว่าสุตตะมยปัญญายินตามยปัญญาคิดอ่านใรตรองเรื่องราวทั้งหลายก็เกิดสติปัญญาขึ้นมานี่แต่คำว่าภาวนามยปัญญานั้นดีไม่ดีในวงศาสนาของเรานี่แหล ผู้เรียนศาสนาเรียนธรรมะของพระเจ้าอยู่นี่แหละจะไม่ยอมเชื่อภาวนามยปัญญาว่าเป็นของเกิดได้มีได้อย่างไรเพราะตนไม่เคยได้ภาวนาจนถึงเกิดผลคือภาวนามยปัญญาประจักษ์กับใจก็ไม่ทราบว่าจะเอาคําเชื่อทำข้อนี้มาจากไหนนอกจากจะประกาศไปด้วยความไม่เชื่อทังต น, นว่าเป็นของไม่จริงประทันั้นหรือไม่สนใจเพราะความไม่เชื่อ แม้จะไม่ประกาศให้ผู้ใดฟังก็ตามว่าอันนี้เป็นโมฆะหรือนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เกิดความไม่มีความสนใจที่จะทําภาวนาให้เห็นธรรมขอนี้เกิดขึ้นประจับใจนี่เป็นสิ่งที่ลึกล้ำมากมีผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเท่านั้นจะปรากฏปัญญาที่เกิดขึ้นจะที่ที่ว่าภาวนามยปัญญา นี่ขึ้นที่ใจเพราะภาวนามยปัญญานี้ไม่เหมือนปัญญาใดทั้งนั้นไม่เหมือนสุตามยปัญญาไม่เหมือนกินตามยปัญญาเป็นหลักธรรมชาติเป็นใหญ่ในตัวเองด้วยคำว่าภาวนามยปัญญานี้เท่านั้นนี่จึงเป็นภาวนาที่จึงเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนาโดยแท้หรือจึงเป็นภาวนามยปัญญาโดยแท้เมื่อได้เจอเข้า เห็นเข้าแล้วก็จะรู้เองยอมรับเองและจะเริ่มยอมรับไปโดยลําดับลําดาเพราะเชื่อความสามารถของสติปัญญาที่เกิดขึ้นโดยลําดับลําดานี้และในขณะที่สติปัญญานี้เกิดในลําดับลําดามีความแก่กล้าไปโดยลําดับแล้วสังหาริเลศไปพร้อมๆกันในระยะในระยะนั้นๆ น, น, นี่ยิ่งจะเห็นความชัดเจน ความเชื่อในศาสนาเชื่อในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าท่านดำเนินไปสุสดร้อนๆด้วยวิธีการปราบกิเลสอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนั่นนี่ละเป็นภาวานามยปัญญาโดยแท้ไม่มีใครจะไปสอนก็ไม่ได้ขั้นนี้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งการอบรมอยู่เสมอเริ่มตั้งแรกตั้งแต่สมาธิเป็นเครื่องหนุน หรือสมาธิเป็นกำลังเป็นพื้นฐานที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นได้แล้วคิดค้นด้วยปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่พิจารณาอาการใดก็ตามในสกุลกายของเราหรือนอกสกุลการเราเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาให้เป็นธรรมโดยทางสติปัญญาแล้วเป็นธรรมด้วยกัน <c oughs> นับตั้งแต่เกษารุมาณขาทันตาตะจูเข้าไปถึงอวัยวะภายในทุกชิ้นทุกส่วนมันเป็นยังไง นี่เริ่มปัญญาพิจารณาปัญญาเข้าถึง ภ, ภายในขยายออกมาภายนอกตลอดทั่วถึงด้วยการพินิษพิจารณาแยบคายให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ในสกุลกายทั้งภายนอกภายในนี้จิตที่มีสมาธิเป็นเครื่องหนุนหรือมีสมาธิเป็นต้นทุนย่อมไม่หิวโหวยในอารมณ์ต่างๆ เพราะอิ่มตัวเมื่อนำจิตที่อิ่มตัวด้วยสมาธินี้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาโดยมีการบังคับกันทางสติให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเทเพราะในขั้นเริ่มแรกนี้อิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาว่าจะสามารถอย่างไรบ้างทั้งยังไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรแล้วการฆ่ากิเลสด้วยปัญญานั้นฆ่าอย่างไรไม่เห็นคุณค่าทั้งสองอย่างจึงต้องได้ถูกบังคับกันต่อเมื่อได้ ถูกบังคับกันไปเรื่อยๆจิตจย่อมจะรู้จะเห็นโดยทางปัญญาและเริ่มรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละที่นี่จ ะ, จะเริ่มสนใจว่าปัญญานี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาเพื่อฆ่ากิเลสสังหารกิเลสซึ่งอยู่ในฉากเดียวกันคือจิตใจดวงเดียวกันนี้นเริ่มทราบชัดแต่เดินดับนี่ที่เทียกว่าปัญญาเริ่มคิดเริ่มไหวตัวเริ่มเกิด พอเกิดขึ้นเรื่อยๆผลปรากฏขึ้นเรื่อยๆเหตุคือปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยค้นคิดสิ่งที่เป็นค่าศึให้เห็นให้เจอขึ้นมาเรื่อยๆสังหารกันไปเมืม่อปัญญาเริ่มไหวตัวยิเล็ก็เริ่มวุ่นวายนี่แหละภาวนามย์ปัญญาเริ่มเริ่มไหวตัวตั้งแต่ขั้นนี้ไป เรื่อยๆไปเลยจนมีความเชื่อมีความมั่นใจในปัญญาที่จะฆ่ากิเลสทุกประเภทตั้งแต่กิเลสประเภทอยากถึงประเภทละเอียดสุดด้วยปัญญาตั้งแต่ประเภทนี้ขึ้นไปโดยลำดับนั่นแหละที่นี่ปัญญาจะไว้ตัวจนลืมตัวคือลืมพักผ่อน ท่านก็บอกไว้ <sama> แต่ผู้ปฏิบัติมักจะลืมเพราะสิ่งที่เป็นอย sí. ู่ภายในจิตใจของตนนั้นเป็นไปด้วยความรดสดร้อนร้อนส่วนประยัติท่านบอกไว้ว่าที่จิตที่ควรพักผ่อนจิตเวลามีความเวลาพิจารณามากๆย่อมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เข้าพักจิตในผว ในสมาธิภาวนาเสียทันว่าอย่างนี้มีในปริยัติท่านบอกไว้เมื่อมีกำลังแล้วถึงออกสู่แนวรบคือพิจารณาทางด้านปัญญาอีกต่อไปนี่เป็นความที่เหมาะสมพอดีพองามแต่จิตมักจะเห็นความทดสดร้อนๆในการฆ่ากิเลสของตอนนั้นเป็นงานอันสำคัญยิ่งกว่าการจับพักผ่อนเสียเพราะฉะนั้นจิตจึงมักจะเลิดเปิดเปิง ถกงกับได้รับความทุกข์มากเป็นบางเวลาเพราะงานของจิตไม่หยุดนี่ก็มีนี่แหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาจะไม่เจอที่ไหนจะไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทเหนี้ที่เกิดขึ้นกับการภาวนากับนักภาวนาทั้งหลาย แล้วปัญญาเหล่านี้แลจะเป็นเครื่องสังหารกิเลสทุกประเภทภายใน จ, ใจิตใจไม่มีปัญญาใดจะสามารถเป็นปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถสังหารได้โดยลําดับกำลั ง, ง, ง, งจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นแลถึงจะหยุดได้ คำว่ภาภาวนามยปัญญานี้ถึงจะ ย, ยุติตัวลงไปด้วยหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติทั้งตนเองไม่สงสัยเพราะฉะนั้นผู้สิ้นกิเลสส่วนมากจึงต้องขึ้นด้วยยิตตภาวนาหรือภาวนามยปัญญาเว้นท่านผู้ที่เป็นจิตปาปินยาเสีย ซึ่งก็เป็นภาวนาปญัญญาภาวนามัยปญัญญาเหมือนกันแต่รวดเร็วและหลุดพ้นได้อย่างง่ายดายไม่ได้สั่งสมตัวให้ก้าวเดินไปเป็นลําดับลาดาเหมือนผู้ดาเนินธรรมดาทั้งหลายเรียวกว่าผู้ดันทาปิญญาคือผู้รู้ช้าเดินอย่างเต็มภูมิเต็มสติกําลังของตัวเองทุกระยะทุกวัตรทุกตอนเห็นไปหมดรู้ไปหมดเรียวกว่าเลี้ยงทางลำดับลา ด, ดากันไปได้ในสายทางที่จิตข้าเดินไปแต่ภาวนาโอแต่ จิตที่เป็นชิ ป, ปพรญยานั้นแม้จะเป็นภาวนามัยปัญญาก็รวดเร็วถ้าเราจะว่าอามาเรียงอย่างนี้ไม่ได้ก็ถูกทั้งๆ ท, ที่ท่านก็ไปตามแถวนี้แหละหากไปพราะความรวดเร็วของจิตต่างกันอย่างนี้นี่ทำที่ก่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้เราเห็นแต่อยู่ในคัมภีร์เพราะเราไม่สนใจนำมาใชา้นำมาดำเนิน จึงไม่ปรากฏขึ้นที่ใจของเราดังที่ปรากฏในใจของสาวกทั้งหลายท่านผู้เป็นชนะของพวกเราธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้สดสดร้อนๆอนอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกับกิเลสที่เป็นธรรมชาติสดสร้อนๆอนอยู่ภายในหัวใจสัตว์นั่นแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันวาระใดที่สิ่งได้ทํางานสิ่งนั้นต้องทํางานได้เจมเม็ดจนเหนี่ยงตัวเอ ง, เ, องเมื่อไม่มีสิ่งที่คัดค้านต้านทานกัน ในยานี้กิกิเลสมันต้านทานธรรมบางทงก้าวเดินออกด้วยความสะดวกสบายทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของกิจที่เคลื่อนไหวเราไม่มีสติปัญญาต้านทานมันเราจึงยอมแพ้ความแพ้กิเลสเป็นของดีเมื่อไหร่แม้แต่เขาเล่นกีฬาแพ้กันเขายังฮะเป็นความทุกข์ไม่ใช่นอ น, นการต่อสู้กับกิเลส มีแต่ความแพ้ความแพ้แล้วไม่อายตัวเองบ้างเหรือผู้ปฏิบัติทั้งหลายการภาวนาต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหาอุบายต่างๆสอนจิตใจของตนเพียงศักแต่ว่าทําไปตามหน้าที่อะไรๆขนบประเพณีเฉยมันก็เป็นเรื่องของกิกฤตกะให้นั่นเองกําหนดให้เดินกําหนดให้ทำความเปลี่ยนนั่นเองไม่ใช่ทํากําหนดให้ทําถ้าเป็นทํากําหนดให้ทําแล้ว สติสับัปัตติยานั่นแหละคือสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั่นคือความเพียนตลอดกาลผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> จิตไม่เคยมีความสงบเลยเราจะหาสาระอะไรจากคำว่าธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะจิตไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัส คำว่าสมาธิจิตก็ไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้ไม่เคยเป็นเอาความสุขจากอะไรอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีแต่มืดกับแย้งอย่างที่เห็นกันนี้มันมันพิเศษที่โศอะไรหลับตื่นขึ้นมาแต่และ ว, วันละ ว, วันเราเจออะไรทุกวันนี้เจอแต่ของที่เคยเจอแล้วทั้งนั้นไม่เห็นมีของของใหม่ที่ไหนพอจะตื่นเต้นเทินไปกับมันนี่ก็มีแต่อุ่นของเก่ามากินกันตลอด กินสิ่งเป็นเดนคืออารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเดนตาหูจมูกลิ้นกายก็ของเก่านี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสยุทธธรรมอารมณ์ทั้งหลายก็ของเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่แต่มันใหม่สําหรับคนที่โง่เขลาบาปัญญาไม่มีสติปัญญาพินิพิจนาอย่างพวกเรานี่แหละก็ต้องหลงกันอยู่เช่นนี้อไม่มีอะไรเป็นของเห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่ใหม่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยตลอด แล้วไม่มีวันเข็ดถ้าสติปัญญาได้เกิดขึ้นบ้างทําไมมันจะไม่เข็ดก็สิ่งเหล่านี้เคยโดนมาเท่าไหร่แล้วจิตดวงนี้เคยโดนทุกมาเท่าไหร่เคยถูกบีบคั้นมาเท่าไหร่ประมวลเข้ามาในวงปัจจุบันในระหว่างสติปัญญาต่อสู้กับที่เหร่อยู่นั่นมันก็เห็นกันอย่างชัดเจนหาความสงสัยไม่ได้นั่นแหละจิตที่มีกําลังมีกําลังตรงนั้นเนี่ยเห็นทุ ก, ก็เห็นจริงๆเห็นภายในจิตใจสิ่งที่ก่อทุกข์ก็เกิดขึ้นกับจิตใจนั่นแหละไม่เกิดขึ้นเท่ละท่านว่า สมุทัยสมุทัยคืออะไรการมาตัญหาวาตัญหายิบวตัญหาแน่มันชิดไปเรื่องการมาตัญหาเพวตัญหายิบว่าตัญหามันชิดไปเรื่องนี่แหละท่านว่าสมุทัยเสื้อเย่อที่ังเสื้อย่อังคืออะไรอะไรนี่หลักใหญ่ก็คือการมาตัญหาเพราะวาตัญหายิบว่ตัญหาแล้วที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันจริงๆในหัวใจของเราตลอดเวลาก็คือการมาตัญหาราคะตัญหาเนี่ยสําคัญมากทีเดียวไม่มี คำว่าเข็ดบัลาปไม่มีคำว่าของเก่าไม่มีคำว่าเป็นเดนไปแล้วไม่เอี่ยมตลอดเจอเมื่อไรเป็นติดได้ยินเมื่อไรเป็นติดสัมผัสเมื่อไรเป็นติดไม่มีวันจืดจางนี่จึงว่าเป็นรถที่สำคัญมากของวัตถจักรถของวัตถจักมันกล่อมได้สนิทจริงๆถ้าไม่มีธรรมเขาไปเหยียบย่ำธาราไม่มีธรรมเขาไปแยกธาตกัน จะไม่มีวันแยกตัวออกได้จากสิ่งเหล่านี้เลยตจนกี่กับกี่กันก็อยู่นั้นแหละหาประมาณไม่ได้หาเวลร่ำลาไม่ได้เลยนะมีเงื่อนต้นเงื่อนตายที่ไหนถ้าไม่เอาสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปพิสูจน์กันด้วยความภาคเพียรทั้งเราแล้วจะไม่เห็นต้นเห็นตายของสิ่งเหล่านี้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วกรมหัวใจเราอยู่นานแตกเท่าไหรแล้วแล้วมีวันไหนปรากฏยิบยับเหมือนแสง ห้อยว่าอิ่มตัวพอตัวแล้วรึกเหตุแล้วมีไหมมันไม่มีถ้าไม่เอาสติปัญญาเข้าไปจับเริ่มตั้งแต่กิจให้พอสงบตัวเข้าไปเป็นสมาธินี่ครจะพอพอทรงตัวได้บ้างไม่กัดแกลงจนเกินเนื้อเกินตัวจนลืมเนื้อลืมตัว ธรรมดาของจิตที่ไม่มีสมาธิเลยนี่ย่อมกวดแปฝงตัวเองตลอดเวลาเผาแผลน ต, ตัวเองอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนส่วนมากมากจะคิดแต่เรื่องเหล่านี้นะ่ะเรื่องราคะตัณหาเพราะอันนี้รุนแรงมากในโลกอันนี้จมเพราะอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเราจะเห็นได้ในจิตของขั้นพระอนาคามีที่สิ้นจากนี้ไปแล้วมันก็เหมือนบ้านล้างอันนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านจึงไม่มาเกิดนี้เพราะมันไม่มีอะไรรุนแรงอันนี้รุนแรงมากที่สุด ถ้ากล่อมก็กล่อมได้สนิทติดหัวใจไ ม, ไ ม, ม่ไม่มีวันที่จะเห็นโทษเห็นไถ่เท่าแก่จนจะตายก็ตาย ต, ายตั้งแต่ธาตุาขันต์ตัวกิเลสตัวนั้นมันไม่ยอมอ่อนตัวของมันลงไปเลยนะ่ถ้าไม่ฆ่ามันด้วยสติปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่แหละเคือมันกล่อมใจถ้าได้สมาธิพอสงบตัวแล้วก็พอจะยับยั้งได้บ้า ง, างละที่นี่จากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาเอามีทุนแล้ว เรามีความสงบเย็ยนใจได้แล้วนั่นละ่ะมีทุนแล้วที่เนี่ย้ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยการที่นิจเจตนานะต้องเรทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาไอ้มันพาฉุดพาลากไปนี่ทุกข์มากนิ่กว่านี้เราทุกข์เพราะการบังคับจิตใจให้วิานาตนานั้นปัญญานี่จะพูดขนาดพูดขนาดไหนเมื่อมีความสงบเย็ยนใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยจําให้ดีตรงนี้เอาให้ได้ให้สงบ ถ้าไม่สงบแล้วจะไม่เห็นโทษของธรรมชาติที่ว่านี้จนกระทั่งกลับใดกันไดก็าตามเต๋อไม่มีความหมายทั้งนั้นหลวงพ่าใจตรงนี้จะต้องถูกถีบถูกเตะถูกยันอยู่ตลอดเท้าอยู่ตลอดด้วยวิเลตันหาอันนี้แหละพาให้สัตว์โลกเดียนว่าตายเกิดจะตายเกิดที่ไหนอจิตนี้แหละมันปิ้งไปปิ่งมาเหมือนฟุต บ, บอลน่นะพออันนี้มันผ่านไปแล้วได้เท่านั้น่ะจิตนี้ก็ไม่มีอะไรอ ที่จะดึงดูมีดึงดูดก็ดึงดูดอยู่ภายในตัวเองนั่นฉึงเรียกว่าอภิชาให้ดึงดูเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นหมดไปแล้วหมดปัญหา เ, เช่นราคะตัณหาไม่ได้ไปดึงดูดกับสิ่งใดอีกแล้วจะมีความดึงดูดอยู่เฉพาะลําพังตัวเองคือพอใจในจิตของตัวพอใจในความเป็นอยู่ของตัวคือจิตดวงเดียวนั้นเท่านั้น ดูดูดูดอยู่นั้นพอใจอยู่นั้นนั่นถ้าว่าดูดกระดูกอยู่เนี่ยเพียงเท่านั้นไม่มีอะไรมาสืบต่อให้ดูดต่อไปให้ดึงดูดต่อไปให้ศซึมซาบต่อไปไม่มีมีเท่านั้นนังพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีขึ้นไปแล้วท่านไปเกิดในโรมโลกห้าชั้นคือสุดทวารห้าชั้นอวิหาตปาเสุอสาเสุอสีอกคนิฐา คือเลื่อนระดับของกิจไปเป็นลําดับลาดาโดยหลักธรรมชาติของตัวเองเหมือนผลไม้ที่มันแก่แล้วมันก็เริ่มเพรามันจะสุกไปเรื่อ ย, เ, อยเมื่อมันพอตัวแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีคําว่าจะไม่ไม่สุกจะจะเป็นอื่นไม่มีมนี่จะสุกเมื่อแก่เต็มที่ควรจะสุกได้แล้วนั่นแนหะยิตที่ควรจะสุกได้โดยลํพาพังตัวเองก็คือกิตพระอนาคามท่านจึงไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นหลักธรรมชาติอยู่ภายในตัวเองนั่นา ก, การหากลรองก็อยู่ในตัวนั้นเอง แล้วแก่ไปในตัวแก่ไปในตัวแล้วผ่านพ้นไปผ่านนนั้ไปจนกระทั่งถึงมุดหลุพ้นไปเลยออืเอาที่จิตถ้ามันเป็นแล้วทําไมมันจะไม่รู้ดุถ้าถ้าไม่เป็นร่นมาพูดไม่ได้นะธรรมาะนี้นะมันเป็นในเจ้าของมันก็รู้เท่านั้นเองทามูเจ้าไม่ใช่ทาโกหกขอให้สัมผัสก็ไปเิดท่านว่าสันทิทโกพอเตอตรงไหนแล้วจะยอมรับผู้ที่เจ้าทันทีทนทียกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องของพระนาคามีนี่แหละคือทําได้ระดับแล้วที่จะดุจพ้นโดยโดย้วยสายเดียวเท่านั้น นี่ได้ระดับแล้วถ้าเป็นสอบก็50เปอร์เซ็นนิ่ไปแล้วเอาละที่นี่เริ่มหมุนตัวไปเรื่อยๆถ้าในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าปัญญาเริ่มหมุนตัวแล้วเริ่มหมุนตัวค่าธรรมชาตินี้ได้แล้วคุณง่ายๆ ถ, ถ้าพ้นจากนี้ไปเวลาตายทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่สิ้นก็จิตอันนี้ได้ระดับแล้วได้ระดับได้เป็นตัวของตัวแล้วที่จะต้องหมุนไปโดยลำดับธรรดาเป็นอนัตโนมัติจนถึง พนิพพานาพูดยังไงไปเองแล้วไม่มีอะไรดึงดูดดึงดูดเฉพาะตัวเองไม่ไปดึงดูดกับอะไรดึงดูดกับตัวเองพอใจในความเป็นตัวเอง<ม>พูดง่ายๆว่าอย่างนั้นแหละคือพอใจในความเป็นตัวเองอยู่อย่างละเอียดละเอียดละเอียดแล้วจะทราบได้กบ เวลามันกําจัดกันได้แล้วนั่นทีนี้มันหมดไม่มีอะไรที่จะมาดึงดูดนะตอนตอนที่ตอนที่ดึดูดตัวอยู่โดยเฉพาะคือห ม, มายวเหมือนกับ ว, ว่ามีรถมีชาติอยู่ในโดยสมมุิแทรกอยู่นั้นนั้นอย่างละเอียดละเอียดอะพอธรรมชาติอนะันนั้นกระจายไปแล้วมันก็ไม่มีคำว่ารสชาติของฉ ม, มุิที่เข้าไปเจือปนในในจิตนั้นเลยก็เป็นอรมณสุขร้อนๆเน่ยท่านบอนิพพานังปรามังสุ ข, ขังก็คือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั่นแหะปรามังสุขังจะเป็นอะไรไปรู้ตั้งที่ยังไม่ตายนั่น ใครจะไปควาอนิพันธ์เวลาตายอย่างเดียวผู้เจ้าสอนให้รู้เห็นในเวลายังมีชีวอยู่นี่อองค์นั้นบรรลุที่นั่นองค์นั้นบรรลุในนั่นธรรมนั้นเงื้อมผานั้นเขาลูกนั้นนนั้นมีแต่บรรลุเป็นๆทั้งๆที่เป็นอยู่นั่นอันส่วนนั้นเป็นผลพลอยได้ทัางหากที่ได้ชั้นในภูมิไปแล้วอย่างพ่านาคามีทั้งๆสิ้นไปเสียแล้วจึงค่อยผ่านไปทีหลังหรือไปได้นิพานในเวลาต่อไปนั้นเป็นผลพลอยได้ เราควรจะให้มันได้ในนี้ให้เห็นท่าชัดประจักษ์ตาของเรานีิสิมันเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงความชิ้นเฉลี่เป็นยังไงพระพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่ปฏิบัติให้เห็นตามนี้ลองดูสิทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าศาสนาอันใดที่จะเลิศยิ่งกว่าพุทธศาสนานีิวะเพราะศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆพระพุทธเจ้าเอกจริงๆด้วยภาคปฏิบัติเอกจริงๆด้วยสาวกตามเป็นพยานได้เลยอสาวกทุกองคยอมรับพระพุทธเจ้าร้อยเปเป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานพระพุทธเจ้าทั้งนั้น จากอะไรจากอริยสัจสี่นั่นทุกสมุไัยรุ่นมากนี่เป็นเครื่องการกรองให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันพุทธศาสนามีเต็มช่อมูลอริยสัจสี่นี่หลุดพ้นไปนในจากจุดนี้จากจุดนี้จากจุดนี้นะยอมรับพระเจ้าเป็นผู้สอนอริ ย, ย, ยสัจใบ้เองสาวกทั้งหลายก็รู้รู้ดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมจั ก, กรกัมลักษณสูเป็นใครเป็นผู้สอนนะฟังสิ ธรรมาจาักรก็บอกว่าท่านสูท่านสอนว่ายงไงสอนเพิ่มจากอดีตนั่นนะ่ะพุทธิยถาสอนท่านทรงรู้แล้วท่านถึงสอนนี่ว่าไงผู้นั้นก็ปฏิบัติตามในวงอริยสัจดูข้างอริยสัจจังสมรอริยสัจจังนิโรธอริยจัมมัคคะอริยสัจจังดูที่ไหนก็อยู่ในธรรมาจากักรท่านแสดงไวนน้นั่นนั่นท่านรู้แล้วท่านเอามาแสดงที่นี้ชาวโขนานปฏิบัติไปรู้ตามนั้นก็ยอมรับพุทธา่นเนี่ศา ส, สนาเอกมีตวมีตั ว, ม, ต ว, ม, ตวมีเจ้าของจริงๆ ผู้ <im ples> เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆที่แนะนําศาสนานี้มารประกาศอย่างแจ้งอย่างชัดด้วยความบริสุทธิ์ใจทำจึงเป็นทำที่บริสุทธิ์ประกาศทุกๆชิ้นทุกอันเป็นสวัสดิธรรมแต่ไม่ชอบแล้วหมดนั่นล่าสมายัยไปไหนทําอยู่ที่ไหนที่กล่าวเรานี้ทุกอยู่ที่ไหนอยู่ในหัวใจเราใช่ไหมล่าสมายัยไปไหนสมุทยัยตัว เสนียดจันไรเป็นค่าสึกต่อเราอยู่ทุกวันนี้กรากรปัญหาวัญหาที่พราะว่ัญหาอยู่ที่ไหนมันคิดอยู่ที่ใจใครของใครนั่นแหะมันสดสดสดสดรอดนอยู่ไหมสติปัญญาจิตตาความเพียรที่สดแสดงอยู่ตะ ก, กี้นี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะ่ะไปหามาจากไหนมาสดแสดงแล้วใครจะเป็นผู้รับทราบเรื่องของสติปัญญาและใครจะฟื้นสติปัญญ า, าที่มีอยู่กับใจนี้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่เราผู้ฟังอยู่ฉันอยู่เวลานี้ ừ, สดสด น, น, น, น, น้อนใหม่ทำไมจะไม่ทันกันมันอยู่ในกิต ด, ดวงเดียวกันนี่จะไปคิดให้กิเลสมันหลอกหัวรอดเราอยู่ทําไม อว่าแล้วเท่าว่าแกแล้วว่าโง่เง่าเต้าตุนว่าอำนาจวัฒนาโนยบุรุษเวลากิเลสมันบีบหัวใจทำไมไม่เห็นเจ้าของว่าวัสนาน้อยกิเลสมันมาบีบแล้วน้าเบื่อหน่ายแล้วเกิดกิเลสนี่ทำไมไม่เบื่อมันบ้างอันนี้ไม่มีถ้าเวลาจะปฏิบัติตามอดตามทำแล้วให้กิเลสมันหลอกต้มมาเรื่อยๆอำนาจวาสนาน้อยขี้เกียจขี้ค้านมีแต่เรื่องของกิเลสมันยอมรับไปหมดมันใช้ได้หรือผู้ปฏิบัติเราทั้งหลาย นี่พูดจริงๆถ้าว่าจะโมโหมันก็โมโหนะทําเป็นของกินฆ่าได้จริงๆฆ่ากิเลสมันทําไมเวลาพวกเรามาสรงอัดส่งธรรมมันจึงเป็นของปลอมไปหมดพราะหัวใจมันพาให้ปลอมทําก็เลยกลายเป็นของปลอมเงื่อเนเงื้ออยู่กับฟันไม่หลงเพราะมือไม่พาฟันเม็ดนี้จะคมกรีบขนาดไหนก็กรีบอยู่นั่นแหละมันไม่เห็นเป็นท่าเป็นทางอะไรเพราะคนเงื่อเนเงื่อไว้เฉยไม่ฟัน มันก็ไม่สําเร็จประโยชน์ปัจจุบัโอกระโนซีทำไมทิ้งอยู่งั่นเนี้ยเหมือนเนี้ยเขาเก็บไป้ทุกวันนี่ไม่ใช่ไรเรื่องตราบแล้ว เ, เราพูดเป็นข้อเทียบเทียงมี่สินสมาธิปัญญามีเท่าไหร่ก็อยู่นั่นแหละเราไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาฟาดฟันหันแหล้วเราจะสาเร็จประโยชน์มาจากไหนมันเห็นว่าใจเจ้าของดูเห็นอันนี้เท่านั้นแหะพอหมดเลยในสามแดนโลกชาตินี้ไม่มีอะไรมีความหมาย ยิ่งกลมหัวใจดวงประเสริฐนี่ได้เด่นดวงขึ้นมาในตัวเองเนี้ยพอหมดเลยเนี่ยท่านว่าเมืองพออย่างนี้มันไม่พอมันหิวมันอยากมันจะตายเพราะความหิวความอยากกิเลสพาหิวกิเลสพาอยากกิเลสแม่มีเมืองพอแล้วก็ไม่เข็ดไม่หละบคนไหนที่ว่ามีความสุขเพราะความอยากอือยากมากทุกมากเนี่ยอยากน้อยทุกน้อยไม่อยากจึงไม่ทุกมีเท่านั้นกิเลสตัวพาอยากทําไม่ได้อยาก ถึงขั้นพอตัวแล้วพอตลอดเวลาอากาลิโกคืออะไรคือหยิจดวงนี้พากันโตะจังใจมะมาอย่ามาขี้เกียจขี้ข้านอนแอร์อย่ามาถือทิฏฐิมานะอวดดีอวดฉลาดด้วยทิฏฐิมานะอันเป็นเรื่องของกิเลสล้ลนล้วนยามาขายในตลาดธรรมของพระเจ้าแล้วกรรมาฐานที่ได้ซ้ํำขายนี่เป็นที่ทน่าเกลียดที่สุดเลยอืเอาของเรวที่สุดมาอวดว่าเป็นของดี นี่เป็นเรื่องของกิเลสแท้ๆที่โลกถือกันทําท่านไม่ถือท่านปล่อยทาท่านขยักขยแยงมากเล่าผู้ปฏิบัติธรรมยามเห็นดีในสิ่งเหล่านี้แล้วนําออกมาอวดนะไม่เป็นของดีมาแต่ไหนแต่ไยอยู่แล้วจึงต้องได้เก็บจึงต้องได้ชะได้ล้างได้ปราบปรามมันให้ชิ้นซ่ากไปถ้าสิ่งเดียวนี้เป็นของดีผู้ทำนี่จะไม่มีในโลกเพราะทําชู้กิเลสไม่ได้ทําย่อมหมดไปในโลกแต่นี้ทํามีอยู่ในโลก ก็พอทำนี่สู้กิเลสพระพุทธเจ้าเคยพาสู้มาแล้วเคยปราบกิเลสมาแล้วเลิอดมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่ากี่ล้านพระองค์นั่นกิเลสไม่ได้ปรากฏว่ามันเลิอดนี่นะทำตั้งหากเลือดให้เราวางให้ดีมันเร็วที่สุดนะยี่ได้หัวใจนะั่นมันจะแยกออกมาทันทีทันทีแม้แต่มันเกิดอยู่ในหัวใจมันก็น่าอายจ้ของแล้วนะนเรื่องกิเลสอวดดีอวดดีอว ด, ดอวดรู้อวดฉลาดอวดนั้นอวดนี้น่นนะมันนี่ตั้งแต่อวดลมอวดแรงมันไม่มีความจริงนะ <carrier> <S <s <ure> <S ตัวเองนั่งคนเร็วเร็วมันอวดออมาเมื่อไรคณะมันแสดงขึ้นมานั่นนะ่ะตัวเร็วมันออกแล้วนั่นมันมันแสดงรวดลายอยู่ภายในตัวแล้วถ้ายิ่งมากระจายกับหมู่กับเพื่อนแล้วนั่นแหละมันยิ่งมาขายตลาดมากที่สุดเลยไม่มีใครที่จะให้อภัยได้แล้วไอ้แบบนี้ให้ blind, ววพรกัจจายไว้นะเรามาปฏิบัติธรรมอย่าให้ได้ปรากฏให้เห็นให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตา <c <oughs> <C <ham> นี่ยิ่งที่อยู่กับหมู่มือมีหมู่เพื่อนมากด้วยกัน มันต้องได้ระวังรองระวังมากนะเพราะนี่มันมีครั้งกิเลสทั้งนั้ น, นมาอยู่นี่ด้วยกันนี้นะเราอยากมาเหมาเอาตัวว่าดีอย่างเดียวโดยรวมแรงๆว่าตัวเป็นพระตัวเป็นเนฮะอายุปัญษาเท่านั้นเท e ่านี้นะกิเลสมันไม่ได้เสกสรรปัญนยออะไร ห, หรอกว่าอายุปัญษาเท่านั้นเท่า น, นี้ว่าเป็นพระเป็นเนรพะกิเลสมันเป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นพระมันเป็นข่าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราเผยเวลามันเป็นต่ อ, อยเฉยๆล่ะถ้าเราเผอมากก็ลําบากดจากอาจายไปให้หมู่เพื่อนรับความลําบากระบนทุลุทุเลศอืม น่าสลดสังเวชไปจากเราพูดที่สําคัญตนมะเก่งมะเก่งแล้วเอานําธรรมชาตินี้ออกอวด น, นั่นแหละจะเป็นอะไรไปวันนี้จะได้หอสิมันอันวิเศษวิโสมาจากไหนกิเลสฮะฟังสัว่ากิเลสเป็นอะไรท่านกระแปะไว้แล้ ว, วเครืเือเครื่องเสมอง 11. มืดตื้อน่ยมันมืดอยู่ที่ไหนมันก็มืด อ, อยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่อยู่มันอยู่ที่ใจกิเลสมันมันไปอยู่ดินฟ้าอากาศมันไม่อยู่ เราอยากสาคัญว่ากิเลสมันจะไปอยู่นั่นอยู่นี่นะมันอยู่ที่หัวใจบีบอยู่ที่หัวใจเพราะฉะนั้นอะไรจะมีก็ตามออืเป็นความสําคัญก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหาพายสําสคัญแล้วมันก็มาทุกอยู่ครับหัวใจเจ้าของแหละฟ้าดมันออกทั้งหมดจะไม่มีอะไรเหลือภายในใ จ, ใจิตใจแล้วโล่งไปหมดเลยนั่นแหละที่นี่ทุกหรือสุข ก, ก็รู้เองรู้เองรู้เองเอาละพอ